สารหะสูตรว่าด้วยนายสารหะถามถึงหลักความเชื่อสมัยหนึ่งท่านพระนันทกะอยู่ที่ปราสาทของวิสาขามิคารมาตาในบุพารามเขตครุงสาวทถีครั้งนั้นนายสารหะผู้เป็นหลานชายของมิคารเสตีและนายโรหณะผู้เป็นหลานชายของเปคุนิยะเสตีเข้าไปหาท่านพระนันทกะถึงที่อยู่ ไ่ว้แล้วนั่งนที่สมควรท่านพระนันทกะได้กล่าวกับสาระมิคาระนัตดาดังนี้ว่ามาเถอสาระและโรหณนะท่านทั้งหลายอย่าปรุงใจเชื่อด้วยการฟังตามกันมาอย่าปรุงใจเชื่อด้วยการถือสืบสือบกันมาอย่าปรุงใจเชื่อด้วยการเล่าลืออย่าปรุงใจเชื่อด้วยการอ้างตำราหรือคำภีอย่าปรงใจเชื่อเพราะตักกะ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 ทาเหล่านี้เป็นอกุศลทาเหล่านี้มีโทษทาเหล่านี้ท่านผู้รู้ติเตียนทาเหล่านี้ที่บุคคลถือปฏิบัติบริบูรณ์แล้วย่อมเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์เมื่อนั้นท่านทั้งหลายควรละทาเหล่านั้นเสียสาร ะ, ะและโรหณนะท่านทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรคือโลภะมีอยู่หรือมีท่านผู้เจริญ สลาหะและโรหณนะเราจะอธิบายคำว่าอภิชาบุคคลผู้เพ่งเลงอยากได้ของเขานี้เป็นผู้โลภฆ่าสัตว์บ้างลักทรัพย์บ้างล่วงเกินพัญญาของผู้อื่นบ้างผู้เทศบ้างชักชวนผู้อื่นเพื่อสิ่งที่ไม่เกื้อกูลเพื่อทุกบ้างหรืออย่างนั้นท่านผู้เจริญสลรหะและโรหณนะท่านทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไร คือโทสะมีอยู่หรือมีท่านผู้เจริญสาระหะและโรหณนะเราจะอธิบายคำว่าพยาบาทบุคคลผู้มีจิตพยาบาทความคิดร้ายนี้เป็นผู้คิดร้ายฆ่าสัตว์บ้างลักทรัพย์บ้างล่วงเกินพัญญาของผู้อื่นบ้างผู้เท็จบ้างชักชวนผู้อื่นเพื่อสิ่งที่ไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์บ้างหรืออย่างนั้นท่านผู้เจริญ สาระหะและโรหณนะท่านทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรคือโมหะมีอยู่หรือมีท่านผู้เจริญสาระหะและโรหนะเราเจะอธิบายคำว่าอาวิชชาบุคคลผู้ตกอยู่ในอวิชชาความไม่รู้แจ้งนี้เป็นผู้หลงฆ่าสัตว์บ้างลักทรัพย์บ้างล่วงเกินพัญญาของผู้อื่นบ้างผู้เทจบ้าง ชักชวนผู้อื่นเพื่อสิ่งที่ไม่เกื่อกูลเพื่อทุก์บ้างหรืออย่างนั้นท่านผู้เจริญสารหะและโรหณนะท่านทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรคือธรรมเหล่านี้เป็นกุศลหรืออกุศลเป็นอกุศลท่านผู้เจริญเป็นธรรมที่มีโทษหรือไม่มีโทษเป็นธรรมที่มีโทษท่านผู้เจริญเป็นธรรมที่ผู้รู้ติเตียนหรือผู้รู้สรรเสริญ เป็นธรรมที่ผู้รู้ติเตียนท่านผู้เจริญธรรมเหล่านี้ที่บุคคลถือปฏิบัติบริบูรณ์แล้วย่อมเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์หรือไม่หรือท่านทั้งหลายมีความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างไรธรรมเหล่านี้ที่บุคคลถือปฏิบัติบริบูรณ์แล้วย่อมเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์พวกกระผมมีความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างนี้ท่านผู้เจริญ ท่านพระนันทะกะกล่าวว่าสาระและโรหณนะเพราะเหตุนี้แหลเราจึงได้กล่าวไว้ว่ามาเถิดสาระและโรหณนะท่านทั้งหลายอย่าปรงใจเชื่อด้วยการฟังตามกันมาอย่าปรงใจเชื่อด้วยการถือสืบๆกันมาอย่าปรงใจเชื่อด้วยการเล่าเลืออย่าปรงใจเชื่อด้วยการอ้างตำราหรือคัมภีร์อย่าปรงใจเชื่อเพราะตักกะ อย่าปรองใจเชื่อเพราะการอนุมานอย่าปรองใจเชื่อด้วยการคิดรองตามแนวเหตุผลอย่าปรองใจเชื่อเพราะเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิษไว้แล้วอย่าปรองใจเชื่อเพราะมองเห็นรูปลักษณะน่าจะเป็นไปได้อย่าปรองใจเชื่อเพราะนับถือว่าท่านสมณะนี้เป็นครูของเราสาระหะและโรหนะเมื่อใดท่านทั้งหลายเพึงรู้ด้วยตนเองเท่านั้นว่า ทำเหล่านี้เป็นอกุศลทำเหล่านี้มีโทษทำเหล่านี้ผู้รู้ติเตียนทำเหล่านี้ที่บุคคลเถอปฏิบัติบริบูรณ์แล้วย่อมเป็นไปเพื่อไม่เลื้อกูลเพื่อทุกข์เมื่อนั้นท่านทั้งหลายควรละทำเหล่านั้นเสียเพราะอาศัยคําที่เรากล่าวไว้นั้นเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นมาเถิดสาลาหะและโรหนะท่านทั้งหลาย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 อย่าโปรงใจเชื่อเพราะมองเห็นรูปลักษณะน่าจะเป็นไปได้อย่าโปรงใจเชื่อเพราะนับถือว่าท่านสมณะนี้เป็นครูของเราสาะหะและโรหณนะเมื่อใดท่านทั้งหลายพึงรู้ด้วยตนเองเท่านั้นว่าทำเหล่านี้เป็นกุศลทำเหล่านี้ไม่มีโทษทำเหล่านี้ผู้รู้สรรเสริญทำเหล่านี้ที่บุคคลถือปฏิบัติ บ, ตบริบูรณ์แล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขเมื่อนั้นท่านทั้งหลายควรเข้าถึงธรรมเหล่านั้นอยู่เถิดสาระหะและโรหณนะท่านทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรคืออโลภะมีอยู่หรือมีท่านผู้เจริญสาระหะและโรหณนะเราจะอธิบายคำนี้ว่าอนาพิชาบุคคลผู้ไม่เพ่งเลงอยากได้ของเขานี้เป็นผู้ไม่โลภไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ ไม่ล่วงเกินภัญญาของผู้อื่นไม่พูดเท็จชักชวนผู้อื่นเพื่อสิ่งที่เครื้อกูลเพื่อสุขบ้างหรืออย่างนั้นท่านผู้เจริญสาละหะและโรหณนะท่านทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรคืออโทสะมีอยู่หรือมีท่านผู้เจริญสาละหะและโรหณนะเราจะอธิบายคำนี้ว่าอภยาบาท บุคคลผู้มีจิตไม่พยาบาทนี้เป็นผู้มีคิดร้ายไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ล่วงเกินพัญญาของผู้อื่นไม่พูดเท็จชักชวนผู้อื่นเพื่อสิ่งที่เขื่อกูลเพื่อสุขบ้างหรืออย่างนั้นท่านผู้เจริญสารหะและโรหณนะท่านทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรคืออมโมหะมีอยู่หรือมีท่านผู้เจริญสารหะและโรหนะ เราจะอธิบายคำนี้ว่าวิชาบุคคลผู้มีวิชานี้เป็นผู้ไม่หลงอยู่ในความรู้นี้ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ล่วงเกินพัญญาของผู้อื่นไม่พูดเท็จชักชวนผู้อื่นเพื่อสิ่งที่เกื้อกูลเพื่อสุขบ้างหรืออย่างนั้นท่านผู้เจริญสาระหะและโรหณนะท่านทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไร ธรรมเหล่านี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเป็นกุศลท่านผู้เจริญเป็นธรรมที่มีโทษหรือไม่มีโทษเป็นธรรมที่ไม่มีโทษท่านผู้เจริญเป็นธรรมที่ผู้รู้ติเตียนหรือผู้รู้สรรเสริญเป็นธรรมที่ผู้รู้สรรเสริญท่านผู้เจริญธรรมเหล่านี้ที่บุคคลเถอปฏิบัติ บ, ตบริบูรณ์แล้วย่อมเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขหรือไม่ หรือท่านทั้งหลายมีความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างไรทำเหล่านี้ที่บุคคลถอปฏิบัติบริบูรณ์แล้วย่อมเป็นไปเพื่อคอกื้อคุลเพื่อสุขพวกกระผมมีความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างนี้ท่านผู้เจริญท่านพระนันทกะกล่าวว่าสาระหะและโรหณนะเพราะเหตุนี้แหละเราจึงได้กล่าวไว้ว่ามาเถิดท่านสาระหะและโรหณนะ ท่านทั้ทงหลาย <t sap ó> อย <t ans> <t ans> ่าปรุงใจเชื่อด้วยการฟังตามกันมาอย่าปรุงใจเชื่อด้วยการถือสืบๆกันมาอย่าปรุงใจเชื่อด้วยการเล่าเลืออย่าปรุงใจเชื่อด้วยการอ้างตำราหรือคำภีรอย่าปรุงใจเชื่อเพราะตักกะอย่าปรุงใจเชื่อเพราะการอนุมานอย่าปรุงใจเชื่อด้วยการคิดตรองตามแนวเหตุผลอย่าปรุงใจเชื่อเพราะเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิษไว้แล้ว อย่าปรองใจเชื่อเพราะมองเห็นรูปลักษณะน่าจะเป็นไปได้อย่าปรองใจเชื่อเพราะนับถือว่าท่านสมณะนี้เป็นครูของเราสาระหะและโรหณนะเมื่อใดท่านทั้งหลายพึงรู้ด้วยตนเองเท่านั้นว่าทาเหล่านี้เป็นกุศลทาเหล่านี้ไม่มีโทษทาเหล่านี้ผู้รู้สรรเสริญทาเหล่านี้ที่บุคคลเถอปฏิบัติบริบูรณ์แล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขเมื่อนั้นท่านทั้งหลายควรเข้าถึงธรรมเหล่านั้นอยู่เถิดเพราะอาศัยคำที่เรากล่าวไว้นั้นเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นสาระและโรคนะพระอริยสาวกนั้นปราศจากอภิชาปราศจากพยาบาทไม่ลุ่มหลงมีสัมปชัญญะมีสติมั่นคงมีเมตตาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่ง ทิศที่สองทิศที่สทิศที่สทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแพ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยเมตตาจิตอนันไพบูนเป็นมหากตาไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่มีกรุณาจิตละถึงมีมุทิตาจิตมีอุเบกขาจิต แผ่ไปตลอดที่ที่หนึ่งที่ที่สองที่ที่สามที่ที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยอุเบขาจิตอนพบูบู์เป็นมหากติไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่พระอริยสาวกนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าธรรมชาตินี้มีอยู่ธรรมอันซามีอยู่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 พระอริยสาวกนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเรามีโลภเรื่องนั้นเป็นสิ่งไม่ดีบัดนี้โลภนั้นไม่มีเรื่องนั้นเป็นสิ่งที่ดีเมื่อก่อนเรามีโทสะละถึงเมื่อก่อนเรามีโมหะเรื่องนั้นเป็นสิ่งไม่ดีบัดนี้โมหะนั้นไม่มีเรื่องนั้นเป็นสิ่งที่ดีเธอไม่มีความทยานอยากดับสนิทยเยือกเย็น สวยสุขมีตนเป็นประหนึ่งพรมอยู ah ่ในปัจจุบันสารหะสูตรที่หกจบเจกระทาวัตถุสูตรว่าด้วยเรื่องที่ควรกล่าว พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายกระทาวัตถุสามประการนี้กระทาวัตถุสามประการอะไรบ้างคือ 1. ควรกล่าวถ้อยคาย้อนอดีตการว่าอดีตการได้มีอย่างนี้ 2. ควรกล่าวถ้อยคามุ่งถึงอนาคตการว่าอนาคตการจากมีอย่างนี้ 3. ควรกล่าวถ้อยคำเสื่เนื่องกับปัจจุบันาการว่า ปัจจุบันาการมีอยู่อย่างนี้ชาวโลกพึ่งรู้จักบุคคลได้ด้วยการมาร่วมประชุมสนทนากันว่าผู้นี้ควรพูดด้วยหรือไม่ควรพูดด้วยถ้าบุคคลนี้ถูกถามปัญหาไม่ตอบโดยในเดียวซึ่งปัญหาที่ควรตอบในเดียวไม่จำแนกตอบซึ่งปัญหาที่ควรจำแนกตอบไม่ย้อนถามแล้วจึงตอบปัญหาที่ควรย้อนถามแล้วจึงตอบ ไม่พักปัญหาที่ควรพักไว้เมื่อเป็นอย่างนี้บุคคลนี้ชื่อว่าผู้ไม่ควรพูดด้วยแต่ถ้าบุคคล น, นี้ถูกถามปัญหาตอบโดยในเดียวซึ่งปัญหาที่ควรตอบโดยในเดียวจำแนกตอบปัญหาที่ควรจำแนกตอบย้อนถามแล้วจึงตอบปัญหาที่ควรย้อนถามแล้วจึงตอบพักปัญหาที่ควรพักไว้เมื Μ ่อเป็นอย่างนี้บุคคลนี้ชื่อว่าผู้ควรพูดด้วย ชาวโลกเพิ่งรู้จักบุคคลได้ด้วยการมาร่วมประชุมสนทนากันว่าผู้นี้ควรพูดด้วยหรือไม่ควรพูดด้วยถ้าบุคคลนี้ถูกถามปัญหาไม่ตั้งมั่นอยู่ในฐานะและอาถนะไม่ตั้งมั่นอยู่ในปริกับไม่ตั้งมั่นอยู่ในเรื่องที่ควรรู้ไม่ตั้งมั่นอยู่ในเรื่องปฏิบัติเมื่อเป็นอย่างนี้บุคคลนี้ชื่อว่าผู้ไม่ควรพูดด้วย แต่ถ้าบุคคลนี้ถูกถามปัญหาตั้งมั่นอยู่ในฐานะและอาถรรพตั้งมั่นอยู่ในปริกบตั้งมั่นอยู่ในเรื่องที่ควรรู้ตั้งมั่นอยู่ในเรื่องปฏิบัติเมื่อเป็นอย่างนี้บุคคลนี้ชื่อว่าผู้ควรพูดด้วยชาวโลกพึงรู้จักบุคคลได้ด้วยการมาร่วมประชุมสนทนากันว่าผู้นี้ควรพูดด้วยหรือไม่ควรพูดด้วยถ้าบุคคลนี้ถูกถามปัญหา พูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงอาการโกรธขัดเคืองและไม่พอใจเมื่อเป็นอย่างนี้บุคคลนี้ชื่อว่าผู้ไม่ควรพูดด้วยแต่ถ้าบุคคลนี้ถูกถามปัญหาไม่พูดกลบเกลื่อนไม่พูดนอกเรื่องไม่แสดงอาการโกรธขัดเคืองและไม่พอใจเมื่อเป็นอย่างนี้บุคคลนี้ชื่อว่าผู้ควรพูดด้วย ชาวโลกเพิ่งรู้จักบุคคลได้ด้วยการมาร่วมประชุมสนทนากันว่าผู้นี้ควรพูดด้วยหรือไม่ควรพูดด้วยถ้าบุคคลนี้ถูกถามปัญหาพูดฟุ้งเฟ้อพูดย่ำยีพูดหัวเราะเยาะคอยจับผิดเมื่อเป็นอย่างนี้บุคคลนี้ชื่อว่าผู้ไม่ควรพูดด้วยแต่ถ้าบุคคลนี้ถูกถามปัญหาไม่พูดฟุ้งเฟ้อไม่พูดย่ำยีไม่พูดหัวเราะเยาะ ไม่คอยจับผิดเมื่อเป็นอย่างนี้บุคคลนี้ชื่อว่าผู้ควรพูดด้วยชาวโลกพึงรู้จักบุคคลได้ด้วยการมาร่วมประชุมสนทนากันว่าผู้นี้มีอุปนิสัยหรือไม่มีอุปนิสัยบุคคลผู้ไม่เงี้ยหูฟังชื่อว่าไม่มีอุปนิสัยบุคคลผู้เงี่ยหูฟังชื่อว่ามีอุปนิสัยบุคคลนั้นผู้มีอุปนิสัยย่อมรู้ทำอย่างหนึ่ง กำหนดรู้ทาอย่างหนึ่งและทาอย่างหนึ่งทำให้แจ้งทาอย่างหนึ่งเขาเมื่อรู้ยิ่งทาอย่างหนึ่งกำหนดรู้ทาอย่างหนึ่งและทาอย่างหนึ่งทำให้แจ้งทาอย่างหนึ่งย่อมสัมผัสความหลุดพ้นโดยชอบการสนทนากันมีประโยชน์อย่างนี้การปรึกษากันมีประโยชน์อย่างนี้กูปนิสัยมีประโยชน์อย่างนี้การเงียหูฟังมีประโยชน์อย่างนี้ คือความหลุดพ้นแห่งจิตเพราะความไม่ถือมัน่นชนเหล่าใดเป็นคนมักโกรธฟุ้งซ่านโอ้อวดพูดเพอเจอ้อชนเหล่านั้นชื่อว่ายึดถือถ้อยคำที่ไม่ประเสริฐมองดูเรื่องผิดพลาดของกันและกันชนเหล่าใดชื่นชมทุพาสิทธิ์ความพลั้งพลาดความหลงลืมความพ่ายแพ้ของกันและกันพระอริยะไม่พูดถึงเรื่องนั้นของชนเหล่านั้น แต่ถ้าบัณฑิตรู้จากการอันเหมาะสมแล้วประสงค์จะพูดควรมีความรู้ไม่โกรธไม่ฟุ้งซ่านไม่โ อ, โอ้อวดไม่ใจเบาหุนหันพลันแล่นไม่คอยจับผิดพูดแต่เรื่องที่เกี่ยวกับบุคคลผู้ดำรงอยู่ในธรรมเป็นเรื่องที่พระอริยะประพฤติกันมาเพราะรู้ทั่วถึงโดยชอบเขาไม่พูดริษยาบุคคลควรชื่นชมถ้อยคาที่เป็นสุภาษิต ไม่ควรเลื่อมใสถ้อยคำที่เป็นทุกพาสิทธิ์ไม่ควรใส่ใจถึงความแข่งดีและไม่ควรคอยจับผิดไม่ควรพูดทับถมไม่ควรพูดย่ำยีไม่ควรพูดหล่ะแหละเพื่อความรู้เพื่อความเลื่อมใสสัตว์บุรุษทั้งหลายจึงมีการปรึกษากันพระอริยะทั้งหลายย่อมปรึกษากันเช่นนั้นแหลนี้เป็นการปรึกษากันของพระอริยะทั้งหลาย บุคคลผู้มีปัญญารู้เรื่องนี้แล้วไม่ควรถือตัวควรปรึกษากันกระถาวัตถุสูตรที่7จบ 8. อัญญติทิยสูตรว่าด้วย พวกอั ญ, ญะาดิรตีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าพวกอัญญาดิรตีปริภาชกพึงถามอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายทำสามประการนี้คือหนึ่งราคะความกำหนัด 2. โทสะความคิดประทุษร้าย 3. โมหะความหลงท่านทั้งหลายทำสามประการนี้แล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 พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าถ้าพวกอัญญะเดรธีปริภาชกพึงถามอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายทำสามประการนี้คือหนึ่งราคะสองโทสะสโมหะท่านทั้งหลายทำสามประการนี้แหละทำสามประการนี้มีความแปลกกันอย่างไรมีคําอธิบายอย่างไรมีความต่างกันอย่างไร เธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้พึงตอบพวกเขาอย่างนี้ว่าราคะมีโทษน้อยแต่ใครช้าโทสะมีโทษมากแต่ใครเร็วโมหะมีโทษมากและคลายช้าถ้าพวกอัญญะเดรถีปริภาชกพึงถามอย่างนี้ว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ราคะที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปเพื่อความเจริญภัยบูญยิ่งขึ้น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 ฉละมู ล, ลสูตรว่าด้วยรากเหง้าของอากุศลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอากุศลละมูลรากเหง้าของอากุศลสามประการนี้อากุศลละมูลสามประการอะไรบ้างคือ 1. อากุศลละมูลคือโลภะความอยากได้ 2. อากุศลละมูลคือโทสะความคิดประทุสร้าย 3. อคุสน ล, ลมูลคือโมหะความหลงโลภะจัดเป็นอกุสน ล, ลมูลกรรมที่บุคคลผู้มีโลภะทำทางกายวาจาและใจจัดเป็นอกุศนกรรมแม้กรรมของบุคคลผู้มีโลภะถูกโลภะครอบงำมีจิตถูกโลภะกลุ่มรุมก่อทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้อื่นด้วยเรื่องที่ไม่จริงด้วยการเบียดเบียนจองจาให้เสียทรัพย์ เติตียนหรือขับไล่โดยอวดอ้างว่าเรามีกำลังทรงพลังก็จัดเป็นอคุศลกรรมบาปอากุสนธรรมจำนวนมากเหล่านี้ที่เกิดจากโลภะมีโลภะเป็นเหตุมีโลภะเป็นแดนเกิดมีโลภะเป็นปัจจัย่อมเกิดมีแก่บุคคลผู้มีโลภะนั้นด้วยประการชน้โทสะจัดเป็นอกุสนลมูล กรรมที่บุคคลผู้มีโทสะทำทางกายวาจาและใจจัดเป็นอกุศลกรรมแม้กรรมของบุคคลผู้มีโทสะถูกโทสะครอบงำมีจิตถูกโทสะกลุ้มรุมก่อทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้อื่นด้วยเรื่องที่ไม่จริงด้วยการเบียดเบียนจองจำให้เสียทรัพย์ติเตียนหรือขับไล่โดยอวดอ้างว่าเรามีกาลังทรงพลังก็จะเป็นอกุศลกรรม บาปอากุณธรรมจำนวนมากเหล่านี้เกิดจากโทสะมีโทสะเป็นเหตุมีโทสะเป็นแดนเกิดมีโทสะเป็นปัจจัยย่อมเกิดมีแก่บุคคลผู้มีโทสะนั้นด้วยประการชนีโมหะจัดเป็นอกุณละมูลกรรมที่บุคคลผู้มีโมหะทำทางกายวาจาและใจจัดเป็นอกุณลกรรมแม้กรรมของบุคคลผู้มีโมหะถูกโมหะครอบงำ มีจิตถูกโมหะกลุ่มมก่ทุกให้เกิดขึ้นแก่ผู้อื่นด้วยเรื่องที่ไม่จริงด้วยการเบียดเบียนจองจำให้เสียทรัพย์ติเตียนหรือขับไล่โดยอวดอ้างว่าเรามีกำลังทรงพลังก็จัดเป็นอกุศลกรรมบาปอากุศลธรรมจำนวนมากเหล่านี้เกิดจากโมหะมีโมหะเป็นเหตุมีโมหะเป็นแดนเกิดมีโมหะเป็นปัจจัย ย่อมเกิดมีแก่บุคคลผู้มีโมหานั้นด้วยประการศนี้บุคคลเช่นนี้เรียกว่าอาการลวาทีกล่าวไม่ถูกเวลาบ้างอภูตะวาทีกล่าวเรื่องไม่จริงบ้างอณัตถวาทีกล่าวไม่อิงอัดบ้างอธรรมวาทีกล่าวไม่อิงธรรมบ้างอวินยวาทีกล่าวไม่อิงวินัยบ้าง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 เขาเมื่อถูกว่ากล่าวด้วยเรื่องที่เป็นจริงก็ปฏิเสธไม่ยอมรับเมื่อถูกว่ากล่าวด้วยเรื่องที่ไม่เป็นจริงกลับไม่พยายามที่จะปฏิเสธเรื่องนั้นว่าแม้เพราะเหตุนี้เรื่องนี้จึงไม่จริงไม่แท้ฉะนั้นบุคคลเช่นนี้จึงเรียกว่าอาการละวาถีบ้างอภูตะวาถีบ้างอนัตตวาทีบ้างอธรรมะวาถีบ้างวินยะวาถีบ้าง บุคคลเช่นนี้ถูกบาปอากุศลธรรมที่เกิดเพราะโลภะครอบงำมีจิตถูกบาปอากุศลธรรมที่เกิดเพราะโลภะกรุ่มรุมย่อมอยู่เป็นทุกข์ลําบากคับแค้นเดือดร้อนในปัจจุบันหลังจากตายแล้วย่อมวังได้ทุกคติบุคคลเช่นนี้ถูกบาปอากุศลธรรมที่เกิดเพราะโทสะละถึงที่เกิดเพราะโมหะครอบงำ มีจิตถูกบาปอกุศลธรรมที่เกิดเพราะโมหะกลุ่มรุ่มย่อมอยู่เป็นทุกข์ลำบากครับแค้นเดือดร้อนในปัจจุบันหลังจากตายแล้วพึงวางได้ทุกขติเปรียบเหมือนต้นสาละต้นตะแบกหรือต้นสเคราะห์ที่ถูกเถาย่านทรายสามชนิดคลุมยอดพันรอบต้นย่อมถึงความเสื่อมถึงความพินาศถึงความฉิบหายชันใด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 มีจิตถูกบาปอากุสนธรรมที่เกิดเพราะโมหะกลุ่มๆย่อมอยู่เป็นทุกข์ลำบากครับแค้นเดือดร้อนในปัจจุบันหลังจากตายแล้วพึงได้ทุกติก็ฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายอากุศลมูมลสามประการนี้แหลกุศลมูลรากเง่าแห่งกุศลสามประการนี้กุศลมูลสามประการอะไรบ้างคือหนึ่งกุศลุโลคืออะโลภะ ความไม่อยากได้2กุศลมูลคืออโทสะความไม่คิดประทุษร้าย3กุศลลมูลคืออโมหะความไม่หลงอโลภะจัดเป็นกุศลมูลกรรมที่บุคคลผู้ไม่มีโลภะทำทางกายวาจาและใจจัดเป็นกุศลกรรมแม้กรรมของบุคคลผู้ไม่มีโลภะไม่ถูกโลภะครอบงำมีจิตไม่ถูกโลภะกลุ้มรุม ไม่ก่อทุกข์ให้เกิดแก่ผู้อื่นด้วยเรื่องที่ไม่เป็นจริงด้วยการเบียดเบียนจองจําให้เสียทรัพย์ติเตียนหรือขับไล่โดยอวดอ้างว่าเรามีกำลังทรงพลังก็จัดเป็นกุศ ล, ลกรรมกุศลธรรมจําจนวนมากเหล่านี้ที่เกิดจากอโลภะมีอโลภะเป็นเหตุมีอโลภะเป็นแดนเกิดมีอโลภะเป็นปัจจัย ย่อมเกิดมีแก่บุคคลผู้ไม่มีโลภะนั้นด้วยประการชนีโทสะจัดเป็นกุศลโมลกรรมที่บุคคลผู้ไม่มีโทสะทําทางกายวาจาและใจจัดเป็นกุศลกรรมแม้กรรมของบุคคลผู้ไม่มีโทสะไม่ถูกโทสะครอบงำมีจิตไม่ถูกโทสะกลุ้มรุมไม่ก่อทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้อื่นด้วยเรื่องที่ไม่เป็นจริงด้วยการเบียดเบียนจองจําให้เสียทรัพย์ ตเตียนหรือขับไล่โดยอวดอ้างว่าเรามีกำลังทรงพลังก็จะเป็นกุศลกรรมกุศลธรรมจำนวนมากเหล่านี้ที่เกิดจากอโทสะมีอโทสะเป็นเหตุมีอโทสะเป็นแดนเกิดมีอโทสะเป็นปัจจัยย่อมเกิดมีแก่บุคคลผู้ไม่มีโทสะนั้นด้วยประการชนี้อโมหะจัดเป็นกุศลลมูล กรรมที่บุคคลผู้ไม่มีโมหะทําทางกายวาจาและใจจัดเป็นกุศลกรรมแม้กรรมของบุคคลผู้ไม่มีโมหะไม่ถูกโมหะครอบงำมีจิตไม่ถูกโมหะกลุ้มรุมไม่ขอทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้อื่นด้วยเรื่องที่ไม่เป็นจริงด้วยการเบียดเบียนจองจำให้เสียทรัพติเตียนหรือขับไล่โดยอวดอ้างว่าเรามีกาลังทรงพลังก็จัดเป็นกุศลกรรม ภูสุลธรรมจำนวนมากเหล่านี้ที่เกิดจากอโมหะมีอโมหะเป็นเหตุมีอโมหะเป็นแดนเกิดมีอโมหะเป็นปัจจัยย่อมเกิดมีแก่บุคคลผู้ไม่มีโมหะนั้นด้วยประการชนนี้บุคคลเช่นนี้เรียกว่ากาลวาทีบ้างภูตวาทีบ้างอัถวาทีบ้างธรรมวาทีบ้างวิเนยะวาทีบ้าง เพราะเหตุไรบุคคลเช่นนี้จึงเรียกว่ากาลวาตีบ้างภูตะวาทีบ้างอัถวาทีบ้างธรรมวาทีบ้างวินยัวาตีบ้างเพราะบุคคลนี้ไม่ก่อทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้อื่นด้วยเรื่องที่ไม่เป็นจริงด้วยการเบียดเบียนจองจําให้เสียทรัพย์เตียนหรือขับไล่โดยอวดอ้างว่าเรามีกําลังทรงพลัง เขาเมื่อถูกว่ากล่าวด้วยเรื่องที่เป็นจริงก็ยอมรับไม่ปฏิเสธเมื่อถูกว่ากล่าวด้วยเรื่องที่ไม่เป็นจริงก็พยายามที่จะปฏิเสธเรื่องนั้นว่าแม้เพราะเหตุนี้เรื่องนี้จึงไม่จริงไม่แท้ฉะนั้นบุคคลเช่นนี้จึงเรียกว่ากาลวาทีบ้างภูตะวาทีบ้างอัถวาทีบ้างธรรมวาทีบ้างวินยวาทีบ้าง บาปอากุณลธรรมที่เกิดจากโลภะเป็นอันบุคคลเช่นนี้ละได้เด็ดขาดตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทําให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้เขาย่อมอยู่เป็นสุขไม่ลําบากไม่ขับแค้นไม่เดือดร้อนในปัจจุบันย่อมปรินิพานในอัตภาพปัจจุบันบาปอากุณลธรรมที่เกิดจากโทสะละถึง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 ถูกเถาย่านทรายสามชนิดคลุมยอดพันรอบต้นทีนั้นบุคคลถือจอบและตะกร้ามาตัดเครือเถาย่านทรายแล้วก็ขุดรอบๆอบโคนถอนรากขึ้นแม้กระทั่งเท่ารากหญ้าคาเขาหั่นเถาย่านทรายนั้นเป็นท่อนเล็กท่อนน้อยแล้วผ่าออกเอารวมกันเข้าพึงที่ลมและแดดแล้วเอาไฟเผาทําให้เป็นขมเหลาแล้วโปรโยที่ลมแรง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 เกิดขึ้นต่อไปไม่ได้เขาย่อมอยู่เป็นสุขไม่ลำบากไม่รับแค้นไม่เดือดร้อนในปัจจุบันย่อมปรินิพานในอัตภาพปัจจุบันก็ฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายกุศลมูลสามประการนี้แลอักกุสลมูลสูที่9จบ